วีนีตวัตุเรื่องพรรณาคุณความตายหนึ่งเรื่อง180สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายได้พรรณาคุณแห่งความตายให้ท่านฟังด้วยความสงสารท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอ